พูดถึงในเรื่องของกรรมมาตั้งแต่ช่วงเช้ากรรมมะที่แปลว่าการกระทําที่จริงกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่ในพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดนึกถึงพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสเขาไว้นะบวกดูก่อนว่าเสฐะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยรักกรรมเออโคร ก, กรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาอะไรคือโครั ก, กรรมนะผู้ใดอาศัยโคร ก, กรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาเ อ, อ<ม>เพราะอะไรคืออะไรการงานที่สําเร็จได้โค <c oughs> เออไถานาเนี่ย <c oughs> นั้นสมัยก่อนเขาใช้โคใช้วัวใช้ควายอ่ะนั้นก็เรียกโครักกรรมงการงานที่สําเร็จได้โดยอ า, าศัยโคใช่ไหมผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยเออไม่ใช่พรามณ์นะไม่เรียกว่าพราหมณ์เขาเรียกว่าชาวนาผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นเป็นศิลปินใช่ไหมศิลปิน ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหมณ์นะีเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นเป็นคนรับใช้พวกจะเป็นทาตเลยเสียเลยผู้ใดอาศัยการเลี้ยรักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็น <c oughs> เป็นโจรนีไม่ใช่พรามอีกเหมือนกัน <c oughs> ผู้ใดเลี้ยง ชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นเป็นคนรับใช้ใช่ไหมถ้าอาศัยการรักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนอาศัยสัตราอาศัยอาวุธเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นอะไรทหาราชีพผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่โปรหิตผู้นั้นเป็นก็เป็น เจ้าหน้าที่ในการบูชาพวกบุโรโหิตเนี่ยพวกพราบุโรโหิตทั้งหลายเหล่านี้พวกนี้เขามีกิจกรรมในการทํากิจกรรมบูชาเหมือนพระยุคเนี้ยพระยุคเนี่ยท่าพิธีกรรมอ่ะนี่แหละตอนนี้สมัยก่อนพวกพราบมันทําแต่ตอนนี้พระยึดอาชีพของพราบมาทําแทนงานศพงานแต่งงานอะไรทั้งหลายเหล่านี้โอ้โหจัดเนี่ ย, ยพระไปทําหมดกิจกรรมเหล่านี้พอทาแล้วมาได้อะไร <c oughs> ได้ค่าตอบแทนไง ฉะนั้นนนได้ยึดกันใหญ่เลยใช่ไหมผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นเป็นราชาหาใช่พราหมณ์ไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามณ์พราหมณ์ในที่นั้นเป็นชื่อของพาาระอรหันต์ใช่ไหมล่ะเออตรงนี้เราก็จะได้เห็นชัดว่าอ๋อ ถ้าเรามองกว้างออกไปอย่างนี้พุทธเจ้าก็กล่าวถึงในเรื่องก็คำว่ากิจกรรมของมนุษย์ก็คือมองในแง่ของกิจกรรมของหมู่มนุษย์แแก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานนะคือการดาเนินชีวิตและการดาเนินกิจกา ร, รต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไรเจตจำนงความจงใจความตั้งใจแล้วก็การคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ หรือที่ทำลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพุทธพจน์ในวาเศรษฐสูตรเนี่ยชัดเลยนี่ชัดเลยดูก่อนวาเศรษฐะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ทีนี้พวกเราเนี่ยเป็นพวกกลุ่มไหนพวกใดที่ถือบาดเลี้ยงช εί, ีพพวกนั้นเรียกว่าพูกขอใช่ไหมเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเนี่ย เป็นเรื่องของกรรมพวกเรามาทำกรรมมีเราเจยดจนงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะเป็นใช่ไมแล้วก็ดูกันที่ไหนดกกูกิจกรรมการงานอาชีพของคนคนนั้นพวกเรามีอาชีพไหมเขาเรียกว่าเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งเขาเรียกกลุ่มชังค้าพาณิชนี่ได้เมือได้ไหนะถ้าชังค้าพาณิชย์พวกพวก่อค้าแปลว่าอะไรอาชังค้าพาณิชย์ ชางค่าแปลว่าแข่งนะพาณิดฮะพวกแบกแบกแข่งค้าขายได้ไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าใช้ลำแข่งใช้ลำแข้งใช้ขามทงตนเองอในการเดินไปเลี้ยงชีพพวกนั้นสมัยก่อนเวลาพวกค้าขายมันต้องใช้กำลังแขนกำลังขาพวกเราเป็นกลุ่มมาแล้วก็บบินดบาบเลี้ยงชีพก็ต้องด้วยปรีแข่งเหมือนกัน โอต้องมีแข้งต้องมีขาในการที่จะเดินตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละอาชีพของเราทีนี้ในขณะ น, นี้อาชีพของนักบวชเนี่ยเวลาเราจะเดินไปหาอาหารเลี้ยงชีพเนี่ยแท้จริงเราไปอะไรเนี่ยทำไมถึงเรียกโปสัต์โปรสัตว์ล่ะเออปกติสัตว์ไม่ค่อยได้ทําบุญกันแล้ว เ, เลยไปเปิดโอกาสแต่จริงๆเราไปอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นไหม ได้คิดอย่างนี้ไหมว่าอ๋อสัตว์นี้มันบุญน้อยมีโอกาสได้เห็นพระมีโอกาสได้ทำบุญเอาแรกเราจะไปโปรดเขาได้ให้เขาได้เห็นผ้าเหลืองให้เห็นรูปแบบของสมณะได้เห็นบาตรได้เห็นอัฐบริขารได้เห็นการโกนผมปงหนวดได้เห็นอากับกิริยาที่สำรวมระวังทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเขาจะได้นิมิตหมายที่ดีตายไปแล้วมันจะได้นิมิตหมายของสมณะว่างั้นเถอะ พระโพธิสัตว์เห็นสมณะแล้วเป็นไงตอนที่ท่านเห็นสมณะออกบวชเออพวกนี้มันจะได้กระไปกระทุงบุญเก่ามันบ้างมันจะได้มีบุญเก่ามาเห็นนักบวชแล้วมันจะได้ตื่นเต้นแล้วอยากจะบวชบ้างวังนั้นเถอะเป็นการไปเปิดช่องบุญที่มันเคยสั่งสมมาในอดีตเวล า, าเห็นนักบวชเขาอยากจะได้บวชบ้างใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นประการที่หนึ่ง การเห็นนักบวชนี่เป็นอะไรเป็นอนุตริยะข้อไหนเป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมเพราะโพธิสตัตว์ตอนที่ท่านออกบวชเนี่ยก่อนที่ท่านจะออกบวชที่ท่านทำไงอ่ะท่านเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมมณะฉะนั้นเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราทั้งหลายที่เนี่ยจาริก ในการที่จะไปโปรดสัตว์ไปโปรดสัต์ก็คือว่าไปขออย่างสมณนการขออย่างอาริยะเขาขอแบบไหนเออไปยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งยืนแล้วคิดยังไงต่อเอาอาหารมาใส่บาตรสักทีสิเอาอาหารมาใส่บาตรสักทีอาอาา ท, ที่คิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าขออย่างอาริยะขออย่างอาริยะก็คือไปยืนนิ่งนิ่งให้เขาได้เห็น เขาจะได้นิมิตหมายเป็นทัศนานุตติยะและสัตว์นั้นจะได้บุญบางทีเขาก็จะมานิมนต์นิมนต์ท่านเข้าบ้านนะเจ้าค้าสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปสนธนาธรรมะแล้วเราไปเทศไปบอกเขาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่มาปัจจุบันนี้โหรีบไปตั้งเวลาไว้เลยเดี๋ยวได้อาหารจะรีบกลับเพราะงั้นเนี่ย ว่าไงได้จริงๆก็คือยืนให้เขาได้เห็นได้ทัศนานุตริยาได้เห็นที่ยอดเยี่ยมปกติหมู่สัตว์มันไปเที่ยวไปชอบดูอะไรกันล่ะดูน้ำตกภูเขาไปดูห้างสปปรรพสินค้าไปดูสวนสัตว์ใช่ไหม ไปดูทะเลไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยนะไปดูหิมะเขาก็ไปกันอย่างนี้แหละการไปดูเหล่าสิ่งเหล่านั้นน่ยก็ไม่สามารถทําตนเองออกจากทุกข์ในสังสารวัฏได้หรอกเขาก็ไปจมอยู่ในชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ไปจมอยู่กับความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความกับแค้นใจแต่ถ้าเขาได้เห็นสมณะแล้วก็จะได้มีอธัธยาศัย เขาเคยสั่งสมมาก็าจะได้น้อมใจอยากจะออกจากสังสารวัตออกจากกิเลสและกองทุกนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสให้เขาได้ทําบุญมีการให้ทานเป็นต้นถ้าเขาต้องการศีลเราก็แนะนําให้เขารักษาศีลเขาต้องการสมาธิเราก็ฝึกบอกเขาว่าจเจริญสมาธิยังไงอาตมาบวชมาตั้งเป็นปีปปสอปีแล้วฉะนั้นถามอาตมาที่เรื่องการฝึกสมาธิหรือการจเจริญปัญญาเนี่ยอาตมาจะบอกให้ hey, อย่างนี้เป็นต้นเอาไรอย่าง ฉะนั้นตรงนี้คําว่ากรรมตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้ามองกว้างออกไปนะมองในแง่ของกิจกรรมของมนุษย์ได้แก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานนชี้ไปที่การประกอบอาชีพการงา น, นยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเราก็ทํากรรมเขาดูอาชีพการงานของนักบวชในนี้กลุ่มเนี้ยการบินทบาทเลี้ยงชีพเนี่ยพวกนี้คือพวกนักบวชพวกสมมณนะพวกพระภิกษุเป็นผู้ขออย่างอริยะ ขออย่างอริยะก็คือการไปยืนนิ่งๆเพศสัตวทั้งหลายได้กุศลเป็นต้นถ้ามองในเรื่องของสังคมคอมมนุษย์ในพุทธพสดังที่ยกมาสักครู่นี้ดูก่อนว่าเศรษฐะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยรักกรรมเลี้ยงชีพโครักรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์นั้นคนที่เป็นชาวน า, าก็อาศัยโคลอาศัยควายสมัยก่อนเนี่ยในการเลี้ยงชีพในการไถในการหว่านเป็นต้นใช่ไหม ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พราหม์ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหม์นะเขาจะยังเราดูกันตรงนั้นแหละผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้คนอื่นคนนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นคนรับใช้ไม่ใช่พราหม์ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นอะไร เป็นโจรเป็นโจรอาศัยการคดโกงเป็นต้นเลี้ยงชีพมันกเรียกโจรผู้ใดอาศัยสอนอาศัยสัตราอาศัยอาวุธเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นเป็นทหารไม่ใช่พรามตำรวจด้วยพวกนี้อาศัยลูกสอนสมัยก่อนก็สัตราลูกศร อ, อาวุธแต่ปัจจุบันก็ปืนนี่นแหละนี่อาศัยสิ่งเหล่านี้เลี้ยงชีพพวกนี้เป็นทหารไม่ใช่พรามผู้ใด เลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปโปรหิตรูนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่แห่งการบูชาสมัยก่อนพวกพรมามมันทําหน้าที่นี้หน้าที่ในการบูชายันนั้นประชาชนทั้งหลาย อ, อ, อยากจะไปร้องขออะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็เข้าไปหาเขาก็ไปจ่ายค่าจ้างค่าสินไหมรางวัลให้กับเขาพวกนี้ก็ทําพิธีกรรมตามจะทําพิธีกรรมระดับเล็กระดับใหญ่เริ่มตั้งแต่แบบแบบกี่ตัวห้าตัว7ดตัวไปจนถึงนั่นแหละ แพ้ 500, 500, 500ห้า้อยแก่ห้าร้อยหูบูชาขนาดระดับประเทศเลยอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ประเทศอินเดียหรือเนปาลเนื้เพราะปัจจุบันในประเทศไทยเราก็เอาอมาเหมือนกันบูชายันเนี่ยคืออะไรรู้ไหมบูชายันของเราคืออะไรอา้าวเคยเห็นฮะออนั่นแหละก็คือบูชายันตนั่นแหละเอาหัวหมูมาแทนสมัยก่อนมันตัดกันสด แต่เอาพอมาถึงประเทศไทยมาถึงประเทศบางประเทศเนี่ยไปยุกไม่ไปการตัดกันไม่เอาวัวควายมามัดกันแล้วตัดบูชาเทพเจ้ากันอย่างนั้นแล้วเอาหัวหมูเลยสั่งหัวหมูมาจากตลาดมาจากนั้นแท้จริงก็คือบูชายัญ น, นั่นแหละอันเดียวกันแต่เรียกต่างกันเท่านั้นเองอาจารยยังงั้นคนที่มีหน้าที่ในการทําพิธีเหล่านี้สมัยก่อนอเขาโปรหิตได้ค่าสินไหมได้ค่าสินค่าจ้างรางวัลไป พอพวกนี้นํามาในประเทศไทยพวกนี้หมดบทบาทแล้วอาจจะไปมีในวังในตามที่ต่างๆที่เขามีการทําพิธีขึ้นศาลบ้างทําพิธีเ อ, อ่เกี่ยวในเรื่องของตามบ้านเรือนต่างๆที่ว่ามีศาลพระภูมิศาลพระพรมพวกนี้ยังมีอยู่นะยังมีบทบาทเยอะพวกโปรหิตรพวกพรามพวกนี้ก็ได้สินค่าจา้างสินก้า ง, ส, าง ส, าสินหมายินหมาไปแต่ที่เหลือนอกนั้นพระยึดหมดเลย พิธีกรรมต่างๆพระเอามาทําแทน <c oughs> เขามาตามวัดต่างๆโอ้พระเป็นผู้จัดพิธีกรรมหมดเลยในนี้งานแต่งงานบวชงานโอ้โหอีกเยอะมากพิธีกรรมนะงานตายเงี้ยโอ้โหเนี่แหละพิธีเป็นพิธีกรรมหมดแล้วเขาใหญ่ยังเป็นปุโรหิตทําหน้าที่เป็นปุโรหิตไปทําหน้าที่เป็นพราม์ก็ไปพระเล็กทำหน้าที่คล้ายๆพราม์ไปเลยตอนนี้เขาใหญ่ยังเคยเห็นงานศพไหมต้องมีพิธีกรรมไหมต้องจัดไหมต้องมีการจ่ายกันไหม โอ้ต้องมีการจ่ายเลยบางทีวัดเป็นค่าจ้างเท่าไหรเท่าไรกันเลยว่างทนเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวกนี้พวกปโปร h i b ทีนี้ผู้ทีนี้ผู้ใดอาศัยหาใช่พราหมา่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นก็เป็นราชาหาใช่พราหมา่ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพรามณ์พราหมณ์ในความหมายนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์คือคนที่สามารถขาจา ก, กิเลสออกจากกระแสของชีวิตได้หมดสิ้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมใช่ไหมเหมือนที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปโศมุติสุกณนพรรษาเอ้ยไม่ใช่สัปดาห์ที่5ที่ต้นไซอะ่ะก็เจอพราหมณ์คนหนึ่งที่ชอบ ใช่ไหมต้นอาชาปารานิคกตเนี่ยชอบขู่หรือตะข้อคนอื่นว่าึเหือหึ่งอะไรหิงหิงเน่ยชอบฮี้ใก็คนก็รเข้าใจยังเห็นใครน้องคนขี้โกรธเข้าใจยังต้องใช้คํานี้ใครเป็นไหมเวลาใครตำหงุดงิดกันจะเป็นไหมเนี่ยจะพามคนนี้แหละแปลมาหิงหิงหึงหึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม เห็นพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เคยเห็นคนขี้โกธแบบนี้ไหมเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละอตะพามคนเนี้ชอบตะคอกตะคอกคนอื่นแบบเนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า <c oughs> ตะคอกกับตนเองเป็นพราหมณ์รังเกียจคนชาติอื่นคนตระกูลอื่นพพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า เราไม่กล่าวว่าคนที่ยังตะคอกคนอื่นอยู่ขู่คนอื่นอยู่ยังมีกิเลสยกตนชูตอนอยู่ว่าเป็นพราหมณ์แต่คนที่มีกิเลส ท, ที่ลอยบุญลอยบาปได้แล้วล <c oughs> อยบุญลอยบาปได้แล้วต่างหากจึงเรียกว่าพรามณ์่างนั้นเถอนี่ยก็เลยกล่าวโต้โตบอบไอ้ถ้าพรามนี่ไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าพรามในความหมายที่พระพุทธเจ้าหมายถึงที่แท้จริงนั้นหมายถึงพระอรหันต์ซึ่งเขาเรียกกันมาอยู่ก่อนแล้วพวกพราหม์ของเขาเนี่ย คือพรามของเขาเป็นเป็นพวกตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเขาถือเขาอย่างนั้นแต่พระเจ้าพรามณ์ของเราในศาสนาของพระเชษฐาเจ้าก็มีคำว่าพรามเหมือนกันนะคือคนที่ลอยบุญและลอยบาปละบุญละบาปได้แล้วต่างหากที่เรียกว่าพรามคนไม่ใช่เป็นพราหมณเพราะชาติกําเนิดมิใช่เป็นพราม์เพราะกรรมแต่เป็นพรามณ์ได้ก็เพราะกรรมขอไปนะเป็นพราหมณ์ได้ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ได้ก็เพราะกรรม เข้าใจไหมเอาเป็นพรามเพราะกรรมคืออะไรนะเป็นพรามเพราะเป็นพรามณเป็นพรามเพราะกรรมคืออะไรอ่ะเอาคนจะเป็นพรามได้เพราะกรรมคืออะไรเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจไหมไม่ใช่เป็นพรามเพราะชาติกําเนิดไม่ใช่เกิดมาปุ๊บเป็นพรามไม่ใช่เป็นพรามก็เพราะกรรมไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมเข้าใจยังเอาเป็นพรามได้เพราะกรรมกรรมหมายถึงอะไร คือถ้าเป็นพรามได้พอกมก็คือใครก็แล้วแต่ที่มาดําเนินตามมชิมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติกระทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อควารรมสิ้นกรรมเมื่อหมดกิเลสเมื่อไรแล้วเนี่ยคนนั้นใะจริงชื่อว่าเป็นพรามฉะนั้นคุณจะต้องมาดําเนินชีวิตทําให้กิเลสหมดจดจากกระแสชีวิตได้นี่ไม่เป็นพอกรรมคือการกระทําต้องกระทํามรคกรรมให้เกิดขึ้นถึงจะได้เป็นพรามอย่างแท้จริงเข้าใจอย่าง เข้าใจเขาว่ามรรคกรรมไหมมันเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาทุกๆุกเอยาบวทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวได้จนประชุมอริยามารรคได้มา่อไหร่จึงจะเรียกเป็นพรามไม่เป็นเพราะชาติกําเนิดไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมคือไม่ไม่เป็นพรามก็กรร ม, ค, ม, ม, รรมคือว่าอันเนี้ยคนที่ไม่เป็นผ้าอาหารได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเขาไม่ทํากรรมที่เป็นผ้าอาหารก็เลยเป็นอย่างอื่นเขาใจอย่าง เป็นชาวนาเพราะกรรมไหมเพราะกรรมไหมเพราะเจลื่อนจำเพราะความจงใจเพราะความตั้งใจที่เป็นแล้วเขาไปประกอบอาชีพการงานนั้นๆก็เลยเป็นชาวนาเลยเดยวนี้งั้นการงานอาชีพและความประพฤติการดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยเพราะกรรมไหมเขาเรียนมาทางด้านศิลปะก็เลยกลายเป็นศิลปินเลยทีนี้เป็นพ่อค้าเพราะกรรมไหมกรรมคืออะไรอ่ะพะ่อ เพราะเจตจานงความจงใจพวกชัางค้าพาณิชย์ไงพวกไอ้ค้าขายด้วยปรีแข่งด้วยลําแข่งของเขาเนี่ยจะเป็นนักบวชเพราะกรรมไหมเออมีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจที่จะเป็นจะเป็นคนลับใช้อะเพราะกรรมไหมเพราะเจตนาเจตจํานงความจงใจตั้งใจกรรมณปัจจุบันหรือกรรมในอดีตเป็นเจตนาในอดีตหรือเจตนาในปัจจุบันจะเป็นโจรล่ะ เพราะอะไรกรรมคือเจตนาที่จะเป็นลักเจตนาที่จะไปขโมยเขาเมื่อไปลักไปขโมยสําเร็จปุ๊บก็เลยได้ฐานะความเป็นโจรเพราะเขาหน้าที่การงานของเขาเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าโจรจะเป็นทหารน่ะเพราะกรรมไหมเพราะจะเป็นตำรวจเพราะกรรมไหมจะเป็นหมอจะเป็นครูโอ้โหจะเป็นข้าราชการจะเป็นชาวราชนาเพราะเกจจมนงจงใจตั้งใจเป็นปุโรหิต แม้แต่จะเป็นพระราชาก็เพราะอะไรเพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมมองกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ฉลาดในปฏิจจสมุบาทถ้าเป็นบัณฑิตนนะฉลาดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามโลกถ้าฉลาดในกระบวนการสายเกิดสายดับแล้วเนี่ย มันก็คือกระบวนการของกระแสชีวิตหรือขันห้าที่มันดำเนินไปตามเอาวิชาสังขารเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์ประกอบกายกรรมวิจีกรรมและมีมนโนกรรมมีเจดจำนงเป็นตัวขับเคลื่อนมีความอยากมีตัณหามีอุปาทานแล้วก็กระทำกรรมไปตามเจดจำนงที่ตนเองปรารถนาที่จะเป็นบางคนไปอ่านประวัติศาสตร์ขึ้นมาโอ้โหเห็นไอ้เจ้านี้มันรวยมากเฮ้ยเจ้ามาร์ซั ก, กเบิก เออไอพวแจ็คหมาเอยพวกสติปจอบเออย่ า, Ma, า, า, าไหมโอ้โห oh. แล้วอยากจะเป็นอย่างเขาก็เลยมีเจตจํานงจงใจตั้งใจที่จะเป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างสมณะเนนแบ็คแฮมเนี่ยอยากจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยพ่อเนยตอนนั้นดังยังไม่แบแค็คแฮมมันดังเนี่ยไปๆมาๆก็เลยเอา้าวตั้งชื่อโลกเลยว่าความ ท, ที่ที่ชอบนักฟุตบอลก็เลยไปตั้งชื่อโลกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเขาเยอะนี่มาจากอะไรเจตนาเจตจํานง เข้าใจยั ง, งเห็นไหมว่าเข้าใจคาว่ากรรมในมุมนี้หรื อ, อยังหรือยังไม่เข้าใจเข้าใจในความหมายว่ากรรมหมายถึงอาชีพการงานหรือการกระทำที่เจตมีทึ่งมีเจตจำนงความจงใจตั้งใจอยู่เบื้องหลังเป็นตัวผลักดันงั้นเราก็จะบางคนบางคนเราพูดกันว่าทาไมคุณเป็นทหาร เพราะอะไรเอาเป็นทาหารนี่เพราะอะไรที่เป็นทหารเพราะอะไรเออเพราะกรรมต้องบอกเพราะกรร ม, ก, ก, รรมกรรมในที่นั้นคือเจตจํานงความจงใจความตั้งใจนั้นอาชีพการงานและการกระทําทั้งหลายแบบนี้เขาเรียกทหารเห็นไหมไม่วัดกันหน้าที่การงานในนั้นทีนี้ คนไปเข้าใจเรื่องกรรมกันผิดใช่ไหมโดยมากมองเรื่องกรรมคืออะไรเป็นเรื่องไม่ดีไปเลยแล้วก็มันเผลอๆกับ เ, เรื่องอดีตบ้างไม่ได้มองว่าปัจจุบันที่กําลังทําอยู่นั่นแหละมันเป็นกรรมของเขาเขากําลังมีเจตจํานงความจงใจตั้งใจอย่างนั้นเริ่มจะชัดเจนในความหมายของกรรมในพุทธศาสนาขึ้นไหมยังเริ่มชัดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะเจาะลงไปอีกถ้าชัดเจนตรงนี้แล้วถ้าไม่ชัดเจนก็ถาม ถ้ามันยังมีข้อสงสัยเดี๋ยวพอลึกลงไปอีกเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกแต่เนี้ยมีอะไรไหมเข้าใจในประเด็นที่บอกว่าจะเป็นชาวนาเขาพบกรรมจะเป็นชาวสวนเขาพบกรรมเข้าใจตรงนี้หรื อ, อยังนี่ขับเน้นอดีตกรรมหรือปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมทีนี้ไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวนะเจตนานั้นเป็นการเป็นการกล่าวโดยอ้อมเท่านั้นเองมีองค์ประกอบอีกเยอะมีความโลภความกอดความหลงเป็น เป็นฐานอยู่เบื้องหลังความไม่โลภความไม่โกรธหรือปัญญาเป็นฐานก็ว่ากันไปนั่นแหละชี้เห็นถึงว่านี่คือกรรมทีนี้พอเข้าใจประเด็นตรงนี้ไะต่อต่อประเด็นหนึ่งก็คือว่าในแง่ของกรรมเนี่ยถ้ามองถึงบอกว่าอะไรคือกรรมเก่าอะไรคือกรรมใหม่ อันนี้เป็นผลของกรรมเก่าใช่ไหมเราได้เรามานะเราได้ตาอย่างนี้ได้หูอย่างนี้ได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้สภาพจิตใจอย่างนี้มาอันนี้มันเป็นกรรมเก่าใช่ไหมแล้วกรรมใหม่คืออะไรเ g j a m n o งค่ะพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจที่มี gjamnon เ, เป็นตัวผักดันในขณะนี้อันนี้เป็นกรรมใหม่ใช่ไหม เป็นกรรมใหม่ใช่ไหมทีนี้กรรมเนี่อย่างที่ได้บอกไว้แล้วเป็นทั้งกุศลและอกุศลใช่ไหมนี่ทีนความหมายหนึ่งก็คือว่าพิกษุนทั้งหลายเจตนาเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใช่ไหมเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและปราณีตจริงไหมคำว่ามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเนี่ยอมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแลีวแยกทีละประเด็นนิดหนึ่งนะคำว่ามีกรรมเป็นทายาทนี้แปลว่าอะไร ออมีกรรมเป็นของของตนน่ะมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนไปอย่างนี้ดีกว่าถึางจะชัดปกติเราบอกว่าเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเนี่ยที่ระบุเป็นชื่อของเราเราสําคัญว่าเป็นของเป็นทรัพย์ของเราใช่ไหมจริงไหมถามว่าอันนั้นน่ะมันเป็นทรัพย์ของเราที่ชั่วคราวหรือถาวร ไม่ใช่ถาวร น, นะแต่สุดจริตกรรมทุจริตกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้สุดจริตกรรมที่ทําในอดีตทาในปัจจุบันเนี่ยไอ้สุดจริตกรรมนั้นมันตามส่งเสริมกระแสชีวิตในทุกๆขั้นตอนที่เกิดถ้าทุจริตกรรมมันก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตในทุกๆอัตภาพที่เกิดฉะนั้นสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่ถาวรทรัพย์ที่แน่นอนคือกรรม มีกรรมเป็นทรัพสมบัติของตนหรือมีกรรมเป็นของของตนในแปลคำนี้เรามีกรรมเป็นของของตนในที่นั้นต้องขยายว่าเป็นทรัพย์ของตนที่แน่นอนจริงไหมแหวนน่ยเป็นทรัพย์จีวรนี่เป็นทรัพย์รองเท้าเน่ยเป็นทรัพย์หนังสือที่ระ บ, บุเป็นเราเป็นทนรัพถาวรเล่นทั่วข่าวชั่วข่าวแต่สุดจริตกรรมทฤจริตกรรมที่ทํา ในขณะที่ทําสุจริตกรรมตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจมันให้ผลหรือยังบุคลิกภาพเป็นยังไงการได้รับเสียมยาบได้ยศุ น, ย น, นนี้เป็นต้นนี้นีเห็นมันให้ผลตามกระแสชีวิตติดต่อเป็นตามลําดับเลยไม่เคยหนีไปไหนเลยเนี่ยเขาเชื่อเขาเป็นทรับที่แน่นอนถาวรถ้าต้องการจะตัดกรรมก็ต้องปรินิพานอย่างเดียวว่างั้นเถอะอ้อาวมีกรรมเป็นทายาททายาททายาโทเนี่ย มีการเป็นทายาทเอเราเป็นทายาทของพ่อแม่ใช่ไหมเมื่อเป็นทายาทเนี่ยเรามีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแม่ไหมมีสิทธิ์ใช่ไหมเรามีสิทธิ์ในการรับมรดกในฐานะที่เป็นพ่อและแม่ เ, เป็นพ่อแม่เราอันนั้นมรดกที่เราได้รับเราเราเป็นทายาทของพ่อและแม่เป็นทายาทท้าวรหรือชั่วคราว ชั่วข่าวบางครั้งไม่ทันตายหรอกก็ตัดขาดกันก็เยอะแยะแต่สุดจริตกรรมทุกจริตกรรมเนี่ยเราเป็นทาญาทของสุดจริตกรรมและทุกจริตกรรมนี่ถาวรไหมตามติดทุกอัตภาพถ้าทุกจริตตามเบียดเบียนเราเลยตามตามให้เราได้รับมรดกตาเขปากแหวง่งฟันหักสรีระตับไตปอด ดินน้ำไฟลมในร่างกายวิพิลิตผิดเพี้ยนตามเบียดเบียนแล้วตอนเราเป็นทายาทของกรรมยังไงแล้วกรรมมันก็ตามที่เดี๋ยวนี้ตามเบียดเบียนในขณะเดียวกันถ้าเป็นกุศลกรรมตามส่งเสริมได้บุคลิกภาพที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อะไรที่ดีโอโ้เยอะหมดเลยเนี่ยเขาเรียกทายาทที่เป็นทายาทที่แน่นอนไหมตามติดเลยเดี๋นี้ฉะนั้นเรามีกรรมเป็นทายาท เราเออเราเป็นทายาทของกรรมจริงๆใช่ไหมเราต้องรับมรดกไหมมรดกของสุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่ทําไว้ฉะนั้นถ้าอยากจะได้ได้ผลคือทุจริตก็ทําทุจริตเยอะๆทากายแยทุจริตวิจิตทุจริตเมโนทุจริตเราก็จะได้เป็นทายาทของทุจริตเบียดเบียนเราเลยทตนี่โอ้โหสะใจแต่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะได้สิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็จงทําสุจริญอ้าว ความฉลาดและไม่ฉลาดเนี่ยในขณะที่เราสร้างเหตุถ้าเราอยากจะไม่อยากฉลาดอยากจะเป็นคนปัญญาอ่อนทำกรรมแบบไหนเราถึงจะได้ทายาถึงความเป็นคนปัญญาอ่อนนะทอยังไงดี เ, เวลาฟังก็ให้มันโมหะเกิดจิตใจว้าวุ่นวิจิกิจฉาเกิดแล้วก็สลับให้มันให้ใ ห, ให้ให้กิเลสเกิดเยอะๆใหๆ้ฟังมึนๆงงๆไปเนี้ยนะ กรรมนี้ให้ผลเราก็จะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเราก็จะเป็นทายาทของกรรมประเภทนี้ทันทีเลยเอาถ้าอยากจะได้เป็นคนที่มีประเภทเหตุสองแบบไม่ต้องมีปัญญาตั้งใจฟังได้เชื่อมัน่นมีความเพียรแกล้ า, ามีสติระลึกมีสมาธิตั้งมัน่นเอาแค่นี้พอไม่ต้องวิจัยแยกแยะเหตุผลแล้วเราก็จะได้เหตุสองได้ความไม่โลภความไม่โกรธแต่ปัญญาจะไม่มีในขณะเกิดเราก็จะได้เป็นทายาท ข, ของความเป็นผู้เป็นเหตุ2เลยตอนนี้เข้าใจอย่าง เป็นคนโอ้โหเรียนรู้อะไรโคตรยากเลยต้องตั้งใจเต็มที่ต้องเพียรเต็มที่เพราะว่าเราฐานปัญญาเราต่ําไม่มีปัญญามาเนี่ยถ้าต้องการอยากจะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องการอยากจะสร้างประเภทที่บริบูรณ์มากความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาประเภทที่มีฉันทาวิทยาจิตตปัญญาด้วยนะเป็นตัวกระตุ้นเตือนนะเอาแบบเอาแบบชนิดที่อย่างภาษาลิบุลเลยอะประเภทที่บอกท่านอาจารย์ บวชอาชีพบอกว่าบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ยังใหม่อยู่ในพระธรรมวินยัยไม่สามารถจะบอกโดยวิจิตพิสดารในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรอกภาษาที่บุรุอกท่านอาจารย์พยันชนะมากจะมีประโยชน์อะไรขอให้ท่านบอกเพียงแต่น้อยนิดที่ท่านรู้มาส่วนไปขยายเป็นพันในหมื่นในแสนในเป็นกิจของข้าพเจ้าจะทาเอง โอ้โหพระสัชชิก็เลยบอกเลยว่าทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่าวทั้งเหตุและความดับเหตุแห่งทรรเหล่านั้นพระสมณานมีปกติตรัสอย่างนี้ฟังแค่นี้บรรลุเลยเรายังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมอะไรเป็นข้อปฏิบัติอะไรเป็นจุดหมายของชีวิตยังไม่รู้เลยเรายังไม่เลยรู้เลยนะว่าอะไรวะขอไปนะอะไรเป็นอะไรเป็นเป็นปัญหาของชีวิตคือทุกข์อะอะไรเป็นเหตุของปัญหาของชีวิตอะไรเป็นตัวดับปัญหา คือคือไอตัวดับดับปัญหาคือตัวนิพพานอะไรเป็นปฏิปทาทางดําเนินที่ถึง ด, ดับปัญหาเราไม่รู้เลยนะแท้จริงอะ่ะท่านยกมาเรื่องเรื่องชีวิตโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยทําเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนนี่ไงทุกข์ขั์ไงจะไม่อุปาทานาขันห้ากระแสชีวิตยังไงทำเราเนี้ยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระธรรมคดจ้ากล่าวถึงเหตุกล่าวถึงอิช า, า, าร์ธนาปาทานนี้เป็นเหตุของทุกข์ขั์เป็นเหตุของปัญหา และความดับเพลิงธรรมเหล่านั้นคือกล่าวถึงพระนิพพานกล่าวถึงนิโรธาสัจจะพระมหาสมปนาคมีปกติตัดอย่างนี้พูดแค่ทุกข์สมุทัยกันนิโรธมรรคเชื่อมมรรคเองได้ลเลยให้เรานี่ ง, งงเป็นไก่ตาแตกเลยเนี่ยเข้าใจยังเนี่ยปัญญาดีเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตอนเรียนธรรมะในอดีตเนี่ยท่านไม่ได้เรียนแบบมึนๆงงๆไงท่านตั้งใจเรียนให้เกิดปัญญาโอ้ท่านสั่งสมมาอย่างดีเลยเข้าใจยัง งั้นถ้าเราอยากจะได้แบบนี้ก็ทําแบบท่านถ้าไม่อยากได้ก็ช่างปล่อยไปปล่อยเออเออไม่ต้องไปพิจารณาแยกแยะอะไรมเยอะนี่เห็นไหมว่าลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่ามีกรรมเป็นทาญาิหรือเป็นทายาทเป็นกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุญาติพี่น้องอะ่ะเผ่าพันธุคือญาติพี่น้องเรามีน้องมีพี่ใช่ไหม มีหน้ามีอาปู่ตาย า, ยายยายอันนี้เขาเรียกอะไรญาติก็คือเผ่าพันธุ์นั่นเองเป็นญาติชั่วคราวเผ่าพันธุ์ชั่วคราวหรือญาติถาวรเผ่าพันธุ์ถาวรบางทีตัดขาดกันเลยนะทะเลาะ ก, กันเนะี่ยไม่มองหน้ากันเลยนะตัดขาดกันทะเลาะ ก, กันจริงไหมอันนี้แปลว่าชั่วคราวจริงจริงเนีไม่ทันลมให้ใจขาดมันตัดขาดกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ญาติถาวร แต่สุดจิตกรรมทุจริตกรรมกุศลอกุศลนี้แหละเป็นญาติเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถาวรเรามีญาติเนี่ยญาติบางคนเบียดเบียนเราใช่ไหมญาติบางคนก็ส่งเสริมเราใช่ไหมนี่เหมือนกันอกุศลละกรรมบาปประกรรก็ตามเบียดเบียนกุศ ล, ลกรรมบุญก็ตามส่งเสริมก็คือญาติดีๆนี่แหละนั้นนี่ญาติที่ถาวรมันคือตัวกรรมตัวนี้ แล้วเรามีญาติที่เป็นกรรมที่เบียดเบียนหรือญาติที่เป็นกรรมที่ส่งเสริมมันไหนมากกว่ากันมากอันไหนมากกว่ากันมากกว่าใช่ไหมเพราะเราทํากุศลตลอดเลยใช่มเห็นไหมที่เราทําไว้ทุกเจตนาที่ทําทุกเจตจํานงทุกความจงใจทุกพฤติกรรมทุกคำพูดทุกเจตจํานงที่เราปักลงไปในการที่เราจะทํานั้นเป็นกรรมหมดเลยนะ เป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้นั้นแหละชื่อว่าเรากําลังผลิตญาติทั้งที่เบียดเบียนทั้งที่ส่งเสริมเราตลอดเวลาเพราะเรากลุ่มเราเป็นประเภทกลุ่มกรรมดําหรือกรรมขาวฮน <Yeah. S 1> เราเป็นคนทํากรรมดาชัดเลยไหมบาปตลอดเลยไหมหรือกรรมขาวตลอดเลยไหมหรือกรรมทั้งดําและขาวคลักเท้าโอ้โห oh, เราก็จะได้ประเภทนี้เดี๋ยวก็เบียดเบียนบ้างเดี๋ยวก็ส่งเสริมบ้างแต่ก็ตื่นเต้นดีนะแบบเนี้ยเนี่ย นี่พวกชอบเสียงพวกชอบตื่นเต้นนี่ใช่ไหมหรือทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตั้งใจจะบําเพ็ญมรรคกรรมเต็มที่ได้ไหมพ้นทุกแน่นอนอยังไงต้องพ้นทุกให้ได้คิดอย่างนี้ตลอดเวลามันนัสการ์งี้ตลอดเวลาไหมหรือว่าไม่คิดแล้วไปเรื่อยๆเลยชีวิตแล้วจะบาปมันจะมาแล้วจะบุญมารับได้ทุกลูกอย่างนี้ป่าวโ ห, หน่ากลัวเกินเลยนี่นี่ก็เลื่องจุดหมายไม่ชัดนี่ นี่เราสร้างทายาทเราสร้างเผ่าพันธุ์แบบนี้เราสร้างเผ่าพันธุ์ทั้งที่เบียดเบียนทั้งที่ส่งเสริมจริงไหมะแล้วเราก็เป็นทายาทรับมรดกที่ดีและไม่ดีแล้วเราก็เรียกว่าทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้ก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ดีและไม่ดีด้วยโอ้โหว่ากันไปเต่เนี้ยพอเข้าใจใชาที่ยังแล้อีกคํานึ่งก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรมมะปฏิสารนาสัพบรีนี่เขเป็นภาษาไทยกรรมมาปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งนี่ประเด็นมันอย่างนี้นะว่าบางคนก็มีพระวิษณุเป็นที่พึ่งบางคนก็มีพระอิศวรเป็นที่พึ่งบางคนก็มีพระเจ้าเป็นที่พึ่งบางคนก็มีเทวดาเป็นที่พึ่งใช่ไหม สารพัดเนี่ยบางคนก็พ่อแม่เป็นที่พึ่งว่ากันแต่มีสามีเป็นที่พึ่งมีลูกเป็นที่พึ่งอันนั้นเรียกที่พึ่งถาวรหรือชั่วคราวไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงแต่กรรมปฏิสนนาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงฉะนั้นเราจะมีครั้งกุศลอกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งในสัตว์ถ้ากุศลเป็นที่พึ่งดีหรือไม่ดีดีที่กุศลนะถ้าอกุศลน่ยเป็นที่พึ่งดีหรือไม่ดี โอ้โหเที่พึ่งไม่ดีเลยเบียดเบียนนี่เงินต้องร้องของบางคนก็บอกว่าโอ้ยให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากโรคภัยแข่เจ็บให้พ้นจากการถูกเบียดเบียนตะทีเลยไปทำอะไรเลยเจ้าบุคุณเลยก็มาตอมเรนปึกงปึกพุทธังสารานางกฉามินี่แปลว่าเราต้องการอะไรเป็นที่พึ่งพระรัตนไตรายเป็นที่พึ่ง ก็คือกุศลนี่แหละโดยเฉพาะก็คือต้องการกุศลระดับมรรคกุศลหรือพรนิพพานเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเราจะได้ได้ที่พึ่งที่ถาวรที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นที่พึ่งให้กับเราอยู่นี่หลยใช่ไหมที่พึ่งบางทีได้ที่พึ่งไม่ดีเช่นไปได้ลูกไม่ดีโอ้ยมันประทุสร้ายเราจะรไปได้พ่อที่ไม่ดีมันตีเราตบเราอะไรสารพัดเลยนะ ไปได้เพื่อนที่ไม่ดีโอ้จะหาเพื่อนติดมิพึงสารพัดเลยทุนเขาไล่ออกจากบ้านเลย <laughs> ไปเ <laughs> บื่อเลยเคยไหมพ่อแม่เคยไล่ออกจากบ้านเคยไหมแล้วนั่นแหละนั่น แ, นนแต่เตสพ่พึงบาปนั่นเองใช่ไหมอกุศลและกรรมนั่นเองใช่ไหมแล้วถ้ากุศลมันให้ผลจะมีใครมาเบียดเบียนเราก็าได้อ่อเดี๋ยวนี่เข้าใจเลยนะมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตน มีกรรมเป็นของของตนเข้าใจแล้วนะถามกลับชัดเลยนะมีกรรมมีเป็นทายาทของกรรมเข้าใจยังแล้วก็มีกรรมเป็นกําเนิดโอตายเลยลืมเนี่ยได้สั์นี้ว่าไงนะคําว่ากําเนิดมีกรรมเป็นกําเนิดเร์ยกรรมมาทายาทกรรมกรรมโยนี้โยนี้แปลว่าอะไรฮะโยนีแปลว่าอะไรโยนี้ โยนี one, one, ้แปลว่าเหตุโยนี้ศัพท์เนี่ยกรรมไม่โยนี่ยแปลว่าเป็นเหตุใช่ไหมกําเนิดตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเหตุเหตุเกิดเป็นหเนหตุแห่งสุขและเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมสุดจริญกรรมและทุจริญกรรมเนี่ยเป็นเหตุแห่งเแห่งสุขและเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นที่เราได้รับสุขได้รับทุกข์เนี่ยไม่ใช่มีใครเนีไม่ใช่ไปเกิดในกําเนิดนั้นใช่ไหม เช่นสังเสริฐชักําเนิดโอปาติกากําเนิดชาลาผู้ชักําเนิดหรือไปเกิดในกําเนิดตระกูลพามมันไม่ใช่ไอตรงนั้นมันชั่วคราวไปเกิดตรงนั้นในชั่วคราวที่เราไปเกิดเป็นกําเนิดของพรามณ์กษัตริย์แผ่นแพทย์สูตรจันทานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเกิดเป็นโอปาติกาสังเสทชัคข้เสริญญากะเนี่ยโอปาติกะเกิดผุดโตขึ้นเกิดอะไรเกิดในครั้นเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเกิดในยางเหนียว อย่างพวกเรากล no <c oughs> ุ่มไหนเกิดในขั้นไม่ใชเกิดในไข่ถ้าเกิดในไข่คือกลุ่มไหนไปตอบน้ำเอาสจนนี่ยุ่งเลยไม่ใช่เกิดในในไข่พวกไก่ไงนกไงใช่ไ้มไก่นกพวกนี้ไงพวกนี้เกิดในเท่าไครกลุ่มไหน ก็สับนี่าแปลว่าเหตุใดเป็นเหตุแห่งสุขไหมเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมเอ้าเกิดในเท่าใครคืออะไรเกิดในพวกไอ้น้ำแฉะชื้นเนะพื่กลุ่มเออพวกไอ้นี่ไอ้พวกตัวหนูหนอนหบัวอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น เ, เนี่ยมาลงแรงอย่างเยอะเนี่ยอันนั้นนเป็นกําเนิดที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดก็ได้กําเนิดเหล่านั้นมันชั่วคราวนะเนี่ยไอ้เบื้องหลังกําเนิดจริงๆนะมันกำเป็นเหตุแห่งสุขเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหม เหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายในตัวกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดสุขอกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์บุญก็เป็นเหตุให้เกิดสุขบาปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมล่ะเริ่มเห็นเงมีกรรมเป็นของของตนคือมีกรรมเป็นทายเป็นทาติของกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือเป็นญาติมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและปราณีต ให้สามและปราณนีดเดี๋ยนั้นถ้ากุศลกรรมก็จำแนกให้สัตว์ประณนีดสูงส่งถ้ากุศลกรรมก็ทําให้สัตว์สามหยาบเจ็บปวดเว่ากันไปเขาจยใา้ยังจะมีพุทธพจน์ิยมบทหนึ่งว่ายาที่สังรัพเตผีชัางในแปลอย่างตาที่สังรัพเตพลังกาลยานาการีกราลยานางปลาปากกาลีจะปาปากกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วใช่ไหมกาเรยนันนาการีกาเยานางปาปาการียปาปากามันมีสองตอนสองช่วงนี่เป็น อ, อิสิพาสิตรหรือเป็นภาสิตของฤาษีของดาบดแต่พระเจ้าเอามาแสดงก็เลยกลายเป็นพุทธพจน์รับรองของพุทธเจ้ารับรองพระเจ้ารับรองก็อย่ายง บุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้พูดถึงพีชนิยามเท่าเอาเม็ดมะม่วงทิมลงดินให้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินขึ้นมามันกลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นมะขามได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ปลูกมะขามลงไปปุ๊บมันโผล่มาก็เป็นมะขามเอาแตงทิมลงไปปุ๊บให้ปุ๋ยรดน้ำพวนดินมันก็ขึ้นมาเป็นแตงยังไงล่ะมันแล้วแต่หวานพืชเช่นใดมะม่วงขนุนนุยน้ยนาทุเรียนเนี่ยยอด นั่นลงไปพ๊บมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเนี่ยนยิเอาพีทัญ า, ามาเปรียบเทียบนั้นคนทำกรรมดีก็ย่อมได้สิ่งที่ดีทำกรรมชั่วก็ต้องได้สภาพที่ชั่วที น, นี้เอาต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทาดีไม่ได้ดี ทำดีได้ดีมีที่ไหนใช่ไหมบางคนมีกรนี่ยทําชั่วได้ดีมีถมไปอีกคนหนึ่งก็เลยมาเขียนต่อทําดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทําดีต้องได้ดีทุกทีไปเว้นแต่ไม่เข้าใจทําให้ดีเลไม่รู้จะงงกันทั้งคู่นะไอคนนี้ก็ตอกย้ําใหญ่ไอคนทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอีกคนหนึ่งก็ไปต่อยอดสรุปแล้วเคยเห็นคนทําชั่วแล้วได้ดีไหม มงคนบอกโอ้ยไอ้นี่มันคดกกงเขาป้นที่ดูที่เนี่ยไอ้เจ้านี้ขายยาบ้าโอ้โหนเป็นมหาเศรษฐี <c oughs> โอ้ยไงว่ากันไอ้เจ้าเนี่ยทำงานราชการมาประจบสอบพอไม่ได้ทำดีอะไรแล้วโอ้ยยศมันขึ้นปื๊ดๆื๊ื ด, ด, ดหนูไปอยู่ข้างบนแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยเอ๊ะนี่มันทำชั่วไอ้ ด, ดีผิดหลักพุทธพจน์ด้วยวป่าจริงไหม เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เราไม่ชัดนี่โดยเฉพาะเนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมต้องเอาตัวนี้ไปนี่พระฝากไปนะต้องฟังทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเวลาไปสอนกลุ่มพวกนายทหารใช่ไหมเจ้าพนร้องเนี่ยต้องสอนตลอดเลยเนี่ยต้องอธิบายเลยตลอดและต้องไปขยายบอกว่าทําดีใช่ไหมพระเจ้าบอกกาลยาณกาลีกาลยานังปาปกาลีจะปาปังทําดีั้อ ต้องเป็นความดีสิทำชัว่วต้องเป็นความชัว่วสิก็มีวานพืชที่จริงท่านเปรียบเทียบไอพีธยามเมี่อพปลูกมะม่วงผลคือมะม่วงใช่ไห ม, ม, มถ้าปลูกมะขามเป็นมะขาม อ, าอย่างยุคนี้ก็ปลูกทุเรียนมันได้อะไรปลูกทุเรียนได้เป็นทุเรียนไหมแต่พอจีนมันต้องการทุเรียนมากแล้วทุเรียนเป็นยังไงตอนนี้<แ>โอ้โหได้อะไร ได้เลยปลูกทุเรียนแล้วได้เลยจริงๆต้องได้ทุเรียนใช่ไหมแต่พอบอกโอ้โหปลูกทุเรียนปุ๊บปีนี้ความต้องการของทุเรียนมันเยอะมันเป็นทุเรียนนี่แหละก็เลยขายทุเรียนแล้วก็เลยได้เงินเยอะบางบางสวนได้หลายเป็นล้านๆเลยโอ้โหพอรู้อย่างเนี้ยพอปีต่อไปตัดต้นไม้ต้นยุงต้นยางอัดทุเรียนกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศเลยอัดทุเรียนกันเลยเดี๋ยวนี้ โอ้ oh, แต่เนี้เอาแล้วสิดีมนันซับไพ่มันไม่บาลานซ์กันแล้วแต่นี้ผลปรากฏว่าเฮ้ยล้นตลาดปลูกทุเรียนมันยังเป็นทุเรียนอยู่ไหมแต่มันขายได้เงินน้อยช่วยไงฮะปลูกทุเรียนไม่ได้เงินวะ <c oughs> มองออกอยังงปลูกทุเรียนมันก็ต้องเป็นทุเรียนแต่คนบางคนบอกโอ้ย oh, ปีนี้ปลูกทุเรียนแล้วได้เงินใช่ไหม ปลูกทุเรียนปีต่อมาปลูกกันใหญ่แล้วแมมสวยมากปลูกทุเรียนไม่ได้เงินไม่เดี๋ยวเ๋ยขยายตรงนี้นิดนึงคนบางคนก็เลยบอกว่านี่ไงไปแยกเหตุกับผลมันผิดคนก็เลยบอกว่าทำดีใช่ไหมทำดีมันเป็นความดีไหม ทำดีแล้วคุณภาพจิตที่ดีมันเกิดขึ้นไหมทำดีบุคลิกภาพที่ดีมันเกิดขึ้นไหมทำดีแล้วใจได้รับเสียงชมที่ดีไหมไม่จริงเสมอไปแล้วชักเริ่มไม่จริงแล้วนะตอนนี้มันคนละส่วนกันไงได้ลาบได้ยศได้ความสุขสาะระเสริญบางทีมันไม่ใช่ก็ได้เอาสมมติอูุพันเนี่ยหวรเกียบเนี่ยไปทำดี เต็มที่เลยแล้วมีความสามารถในเรื่องของการสอนมีทักษะเรื่องกฎหมายมีทักษะเรื่องการบริหารจัดการมีหลายทักษะมากแต่เขาไม่ต้องการคนในยุคนี้เขาไอในในสังคมนั้นในหมู่นั้นในคณะนั้นเขาไม่ต้องการคนแบบนี้เขาต้องการคนวิ่งประจบอะสมมติต้องเรียกได้ใช้ถึงเข้าไปประจบเข้าไป แต่นี่ไม่เป็นคนไม่สนใจใครทำอย่างเดียวไม่สนทำที่ทำดีมันจะเป็นสภาพใจดีความรู้สึกที่ดีมันเกิดขึ้นไหมบุกลิกภาพที่ดีเกิดขึ้นไหมแต่มันไม่ได้รับยศเพราะอะไรก็เหมือนว่าปลูกมะม่วงมันยังเป็นมะม่วงอยู่ไหมแต่มันไม่ได้เงินเพราะเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยมันคนไม่ต้องการ บางทีในยุคนั้นในตอนนั้นตลาดมันตกราคามันตกเนี่ยมันก็มันไม่ได้ตางมันคนละส่วนกันแต่ไม่ใช่ปลูกเราอย่าไปคิดว่าปลูกมะม่วงหรือปลูกทุเรียนแล้วคือผลคือเงินมันไม่ใช่ผลมันก็คือฉะนั้นการทําดีสภาพจิตที่ดีมันเกิดแล้วจิตที่เอื้อจิตที่ฉลาดจิตที่เบาจิตที่สบายบุคลิกภาพที่ดีมันได้ทั้งสองอย่างแล้วทั้งสภาพจิตใจและบุคลิกภาพ นี่ไงการทําดีแล้วมันก็เป็นความดีไอ้ทำดีได้ดีคุณเป็นความดีตัวนี้ก่อนมันได้คุณภาพจิตที่ดีได้สภาพบุคลิกภาพที่ดีเกิดขึ้นแต่ส่วนได้ลาบได้ยศสุขสารเสริญนั้นน่ะมันอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวจะไปบอกว่ามันไม่ได้เพราะอะไรมันได้เพราะอะไรมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอุปธิยังไงอุปธิวิบัติอุปธิสมบัติคติสมบัติคติวิบัติการสมบัติการวิบัติแล้วก็ประโยคสมบัติแล้ประโยควิบัติ มันต้องไปเชื่อมกันตรงนั้นทีนี้เอาละแต่เนี้ยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเสวยผลแห่งกรรมใดด้วยหัวใจแช่มชื่นเบิกบานกรรมนั้นทำไว้เป็นดีบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นแต่ทีเดียว มองเห็นยังงทีนี้ความเป็นคนที่มีเหตุผลไม่เชื่อเรื่องงมงายเช่นว่าถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปประกรรมได้เพราะการอาบน้ำชำระบาปบางคนไปเชื่อผิดๆเนี่ยนะกบก็ดีเต่าก็ดีนาคจระเข้และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวอยู่ในแม่ น, น้ำก็จะพากันไปสวรรค์อย่างแ น, แน่นอนใช่ไหม ฉะนั้นการอาบน้ําและชําระบาปได้จริงไหมจริงไหมจริงจรงไหมเหมือนน้ำมนต์น่ยไปวิทย์ปุ๊บแล้วบาปมันจะออกได้ไหมได้ไหมหรือไปอาบน้ําชําระบาปได้จริงไหมโอ้เขาชําระบาปได้เต่าปลาปูที่อยู่ในน้ํามันก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็ไปสวรรค์กันหมดเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าน้ํามันชําระบาปได้มันก็ต้องชําระบุญไปด้วย ใชไหมล่ะเออแต่น้ำชำระบาปได้ก็ต้องชําระบุญไปด้วยจริงไหมเนะี่ยเดี๋ยวนี้ที่อินเดียมอาบน้ำล้างบาปกันโอ้โหอาบกันใหญ่เลยก็ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถืออุกาบาตไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลที่ตื่นข่าวครอบงํากิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในภพอันเป็นดุด อันคูกั้นเสียได้ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกว่างั้นนั่นบรรดาหมู่สัตว์ตั้งหลายโดยมากทุกวันนี้สังคมไทยสังคมโลกบางส่วนบางแง่บางมุมเนี่ยเชื่ออุกาบาทเชื่อดวงดาวใช่ไหมเชื่อหมอดูเทวิราชเนี่ยนี่เลอดเธอใหญ่แล้วแต่นี้ไม่เชื่อกำที่เจ้าต้องการพูดอยงนี้ก็คือไม่เชื่อกรรมคือการกระทํา แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์จะประสบความสําเร็จก็กรรมนี่แหละล้มเหลวก็เพราะกรรมใช่ไหมที่ถ้าฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าหากสังคมไทยที่ฉลาดในเรื่องนี้สิเป็นสีวิไลมานานแล้วจริงไหมนี่เราอ่อนด้อยในเรื่องนี้มากวฟังก้นเถอะอ่อนด้อยมากอ่อนต่อเหตุผลมากปัญญาไม่ทํากิจอยู่ด้วยความหลงงมงายฟังกันเถอะ ย่งเลยแต่เนี้ยแล้วเราให้กลุ่มพวกเนี้ยไอ้กลุ่มเ อ, อขอภัยนะกลุ่มโง่เขาบ า, บาบรรยาทั้งหลายเลยเนี้ยไม่มีบทบาทในสังคมใช่ไหมเผยแผ่มองดุงมอ ด, ดูเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยคนตื่นมาเออเพราะว่าวันนี้วันจันต้องก้าวขาซ้ายออกก่อนจะ <c oughs> ไม่เป็นมงคลวัน เนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้โหบางคนพอฝันพอฝันก็หน่อยให้ไปคิกดูแล้วไอ้ฝันนี่ไปดูในอินเทอร์เนต็ตจวหมชา้าเมื่อคืนนี่ฝันว่าไอ้งูมันกัดมันเป็นอ <c oughs> แล้วไอพวกนี้เป็นไม้ตลอดเลยสังเกตรงนี้ก็คือประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยล่วงเลยคนเขาผู้คอย พว้คอยนับเลิกอยู่ประโยชน์เนียมันเลอะล่วงเลยคนโง่มัวแต่คอยนับเลิกอยู่เฮ้ยยังทําการไม่ได้ต้องรอเลิกก่อนใช่ไหมแทนที่ถ้าทําในช่วงนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์ไปแล้วไอ น, นี้เขาโง่เนี่ยประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทําอะไรได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีการประเทศไทยเราเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยจะปฏิวัติก็เลยให้หมอดูมาดูยังไม่ได้เลิกเนี่ยไอ้ข่าวนี้มันล่วงไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วชิงปฏิวัติก่อน้องไปตามดูประวัติศาสตร์มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ได้เลิกยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นตรงนี้คนขาวเนี่ยก็บอกว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนขาวผู้คอยนับเลิกอยู่ฉะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่า จะแต่งงาน9โมง9นาทีถึงจะสวมแหวนมั่น9โมง9นาทีจึงจะสวมมงคลฎว่างั้นใช่ไหม9โมง10นาทีถึงจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยคนขาวก็คอยนับคอยดูดจังหวะเลิกอยู่ในชีวิตทีนี้ถ้าช่วงนั้นเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาดียุ่งเลยตอนนั้นอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องเลยมันมีมันมีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะไอคนหนึ่งมันบวชไปแล้วมันศึกบวชไปนานสึกแต่นี้ก็เขาไปแต่งงานเดี็กเขาก็ส่งตัวเข้าหอไอเจ้าสาวเนี่ยเขาไปดูเลิกมาว่าจะต้องนอนนะ เข้านอนในในเตียงเนี่ยเวลาเท่าไหร่ไอ้เจ้านี้มันบวชนานจัดมันสึกออก ไ, ไปไปแต่งงานเนี่ยมันก็เลยไปนั่งกรรมาฐาน <c oughs> ในห้องนั้นนะแต่นี้มันถึงเวลาเลิกแล้วมันไม่ขึ้นไปนั่งกรรมามันไม่นึ่งขึ้นไปนอนบนเตียงกับคกับเจ้าเจ้าสาวใช่ไหมโอ้โหทะเลาะ ก, กันมาหาภับอกทำเลิกเข้าเสียนะ ทำเลอกเขาเสียถึงเวลาถึงเวลาจะนอนบนเตียงแล้วจะไปนั่งกรรมฐานก็เลยมาที่วัดหลวงพ่อก็ดาา <c oughs> ให้ไอ้บา <c oughs> มไม่ใช่ ม, ม, ใชมันไม่ใช่เวลานั่งกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> เรื่องเลิกไอ้คนมันเชื่อของมันเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ จะเลิกแต่ง ง, งแต่งงานเงินทําเลิกเขาเสียพวนั้นเนี่ยคนโง่เข่ขาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะก็คอยเลิกอ่ะประโยชน์ก็ล่วงเลยไปแท้ที่จริงเนี่ยนี่บอกว่า เ, าเลิกของประโยชน์เขาบอกว่าประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์แปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าทําดีเวลาไหนเลิกมันดีเวลานั้นเนี่ยทำดีเวลาเช้าเลิกมันก็ดีเวลาเช้า ทำดีเวลากลางวันเลิกมันก็ดีเวลากลางวันทำดีเวลากลางตอนเย็นตอนกลางคืนกี่โมงก็แล้วแต่ให้มันทำกายกรรมที่ทำดีวจีกรรมมโนกรรมที่มันกระทำกรรมที่ดีนะเวลาไหนขนาดไหนมันเป็นตัวเลิกมันเองเป็นประโยชน์มันแล้วในขนาดไอดวงดาวบนท้องฟ้ามันจะไม่มีอิทธิพลอะไรกับมนุษย์ถ้าไปทำชั่วเวลาไหนเลิกมันก็เสียเวลานั้นเข้าใจยัง มันมาไม่ใช่ศาสนามันมาจากความเชื่อมาจากทิฏฐิมันมาจากความเห็นที่มันผิดใครที่มีความเห็นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วมีความเห็นว่าไอดวงดาวมันมันมาลิงก์กับกระแสชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นถ้าดวงดาวโคจรมาในช่วงนี้อุ้ช่วงนั้นเลิกดีวันเวลานี้เป็นเวลานั้นเลิกดีมันกลายไปว่า มนุษย์เลยต้องคอยจ้องดูดวงดาวดูเลิกผานาทีอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกโง่แท้ไม่ฉลาดเลยมันดวงดาวบนท้องฟ้ามันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไปรอจ้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยกระแสะชีวิตของมนุษย์มันจะพัฒนาได้ยังไงไอตัวทําดีมันเป็นเลิกดีของมันเป็นประโยชน์มันเป็นเลิกของในขณะนั้นในตัวมันเองอยู่แล้ว ถ้าอยากให้เลิกมันดีในขณะเวลานี้ก็กระทําดีที่กายกรรมที่เป็นสุจริตวิจีกรรมที่เป็นสุจริตมโนกรรมที่เป็นสุจริตทาความฉลาดทำสัตย์ทายเกิดขึ้นทําความเพียรสติสมาธิปัญญายิ่เกิดขึ้นในขณะนี้มันก็เป็นตัวเลิกของมันอยู่ในตัวแล้วเป็นความดีที่มันตยู่ในตัวแล้วมองเห็นหรือยังแ ต, ตอนนี้เลิกดียังถ้าเกิดง่วงขึ้นมาตอนนั้นเลิกดีหรือไม่ดีเลิกไม่ดีเลิกมันเสีย มันไม่ใช่ดวงดาวบนทอ้องฟ้าเจ้านี้มนุษกการผิดเองเขาจะยังไม่รู้จะพูดยังไงเนะนี่ยพอจะชัดไหมนั้นประพฤชอบเวลาใดเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นเลิกดีแล้วเป็นมงคลดีด้วยเป็นเช้าดีอรุณดีเป็นขณะดีเป็นยามดี และเป็นอันได้ทำบูชาที่ดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแม้ด้วยกายกรรมของเขาเมื่อเราทำดีทางกายตอนนั้นกายกรรมเป็นสิทธิโชคไหมกายกรรมเป็นสิทธิโชคไหมกายกรรมก็เป็นสิทธิโชคถ้าทำดีถวจิกรรมของเขาพูดในสิ่งที่ดีวจีกรรมก็เป็นสิทธิโชคถ้าจิตคิดดีจิตนั้นก็เป็นสิทธิโชคเข้าใจยัง เข้าใจเขาเป็นสิทธิโชคไหมก็โชคดีไงเข้าใจยังนะปณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชคความจงใจความตั้งใจของเขาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิทธิโชคแล้วเขาย่อมได้ประสบแต่ผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชคมาจากคาว่าสิทธิ ได้สิทธิที่ดีไอ้สิทธิโชคเนี่ยได้สิทธิที่ดีถ้ากายกรรมทำดีกายกรรมเป็นสิทธิโชคไหมทวีกรรมพูดสิ่งที่ดีดีสิทธิโชคแล้วธรามโนกรรมคิดในเรื่องที่ดีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต่นนั้นก็มโนกรรมก็เป็นสิทธิโชคถ้าตั้งปณิธานที่ดีปณิธานก็เป็นสิทธิโชคใช่ไหมล่ะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ ทั้งกระทากรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธทิโชคแล้วเขาก็จะได้ประสบแต่ผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิทโชคเป็นสิ่งที่ดีงามนี้เป็นต้น <c oughs> เรื่องเข้าใจยังเนี่ยอาทิตต์ต่อโอ้ยังจะจบไหมในวันนี้ ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของของสมบัติและวิบัติเนาะการที่กรรมมณยามมันจะแสดงผลในระดับของวิถีชีวิตเนี่ยทำให้ความเป็นไปต่างๆเนี่ยประสบผลสําเร็จที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนในพระบาลีในคําสอนท่านพูดถึงเรื่องสมบัติ4วิบัติ4สมบัติก็แปล ง, ง่ายๆว่าแปลว่าข้อดี สมบัติในที่นั้นนะสัมปติแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรถึงพร้อม ส, ม, สมปมปติเนี่ยข้อดีก็หมายถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยเสริมส่งอำนวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผลให้กุศลกรรมปรากฏผล และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วมันแสดงผลงั้นถ้าพูดสันส้นๆก็คืออาศัยองค์ประกอบอำนวยช่วยเสริมกรรมดีเนี่ยนะสมบัติก็เลยมี4อย่าง1ก็คือคติสมบัติหมายถึงสมบัติแห่งคติกระแปลถึงพร้อมด้วยคติหรือคติก็หมายถึงที่ไปในะการไปเกิดเนะี่ยการไปเกิดในภพภูมิที่ดีในถิ่นที่ดีในประเทศที่เจริญเหมาะ เกื้อกูลตลอดชนในระยะสั้นก็คือดำเนินชีวิตอยู่หรือเป็นถิ่นที่โอกาสที่อำนวยได้ดีที่สุดในถิ่นในสภาพแวดล้อมที่เราไปอยู่ตรงนั้นนี่เขาเรียกคติสมบัติถ้าตรงกันข้ามก็เขาเรียกว่าคติวิบัติมันค่อยๆคิดนะตรงนี้เราเกิดมาอยู่ในคติสมบัติหรือคติวิบัติ คติที่เราเรามาเกิดเนี่ยเป็นคติสมบัติหรือคติวิบัติถึงพร้อมด้วยคติเกิดในภพภูมิในถิ่นในประเทศที่เจริญเหมาะเกื้อกูลไหมเกื้อกูลเกื้อกูลแต่ความความดีมันจะให้ผลได้ง่ายไหมเลยหรือใครไปเกิดในถิ่นที่ไม่ดีเลยอ่ะดีหรือไม่ดีคติที่เราได้อ่ะนี่นะถ้าเป็นมนุษย์เทวดาก็ว่าไป ทีนี้ไปเจาะจงเท่าทถิ่นเราด้วย <c oughs> เอาประการต่อมาอุปธิสมบัติอุปธิไปไว่าอะไรสมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยร่างกายหรือรูปร่างมีรูปร่างสมบูรณ์สวยงามร่างกายสง่างามหน้าตาท่าทางดีน่ารักหน้านิยมหน้าเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรงอุปธิเราเป็นไง ชักไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเห็นไหมเราเห็นยังเนี่ยนี่เนี่ ย, ย, ยที่ว่ากรรมดีหรือมันจะให้ผลหรือไม่ให้ผลในเห็นเลตรงนี้ถ้ามันตรงกันข้ามเขาเรียกอุปทิวิบัติการลสมบัติสมบัติแห่งการละก็คือถึงพร้อมด้วยการหรือการให้ก็คือว่าเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสุขมีผู้ปกครองที่ดีเป็นคนมีศีลธรรมยกย่องคนดีไม่ส่งเสริมคนชั่ว ก็คือตลอดถึงในระยะสั้นก็คือการทําอะไรถูกการถูกเวลาถูกจังหวะเป็นคนฉลาดในการทำเขียนอะไรมันถูกเหมาะแก่การที่จะให้มันให้ผลได้ดีฉลาดในการวา่ากันเถอะตรงนี้ถ้าไปเกิดในถิน่นใดก็ผู้นําในถิ่นนั้นเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนส่งเสริมคนดีส่งเสริมคนมีความสามารถอะไรพวกนี้นะ ในถิ่นในจังหวัดในอำเภอไอาวาไปในภาคในประเทศในโลกเรานี่ชื่อว่าอยู่ในกาและสมบัติและการและวิบั ต, บติสังเกตดูเองนะทีนะี้ประโยคสมบัติประโยค่าแปลว่าอะไรประโยชน์ค่าสมบัติแห่งการประกอบคําว่าสมบัติแห่งการประกอบก็คือการถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจ หรือกิจการได้เช่นทำเรื่องตรงกับที่เขาต้องการทำกิจกรรมที่เหมาะสมและก็นถนัดก็คือเรามีความรู้มีความสามารถมีความถนัดในเรื่องนั้นๆในสถานการณ์ที่มันเหมาะเช่นว่าโอ้โหในยุคนี้สมัยนี้เขาต้องการคนรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็พอดีเราสามารถชนานาญเรื่องกฎหมาย เขารู้ในเรื่องของการตัดตกแต่งสวนก็หูเราก็ได้มีความรู้เลยเขาชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เพื่อเราเรียนที่เหมาะกับการพอดีเลยโอ้โหทีกุศลมันจะให้ผลไหมเนี่ยประโยคครับผิดเติมมาถูกนะนีรู้ก็แกลว่าทำการขนาดถูกหลักครบถ้วนตามกฎเกณฑ์และเต็มอตัตราไม่ใช่ทำครึ่งกลา ง, างหรือหย่อแยะไม่ใช่อย่างนั้นนะทาได้เต็มที่ รู้จักดําเนินการได้ประกอบความเพียรได้ถูกต้องประกอบการดําเนินชีวิตได้ถูกต้องเหมาะแก่การเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่สถานที่มันคือฉลาดในการประโยคน์ขากันด้ส่วนวิบัติมันเป็นข้อเสียเป็นจุดอ่อนอันนี้เป็นความบกพร่องหององค์ประกอบที่จะอานวยให้กรรมปรากฏนะกรรมดีเนี่ยแต่กลับไปเปิดช่องให้กับกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันมันให้ผลพูดสั้นๆก็คือองค์ประกอบแห่งความบกพร่อง เปิดช่องให้กรรมชั่วให้ผลเนีวิบัติคติวิบัติก็คือวิบัติเห็นคติคติเสียเกิดอยู่ในภพภูมิถิ่นประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไ ม, มมไม่เหมาะสมไม่เอื้อในการดําเนินชีวิตในถิ่นที่ไม่ไม่อำนวยเลยโอ้ตอนที่เกิดใหม่ๆตอนนั้นอาจารย์ไปเกิดในป่างเนี่ยไม่เอื้อต่อการที่จะสแสวงหาข้อมูลความรู้ไม่เอื้อต่อการที่จะทําให้ฉลาดขึ้นมาเลยไม่เอื้อต่อการที่จะทําให้ พิคได้ชีวิตที่ดีงามทั้งหลายเราเนี้แล้วโอ้โหไปเกิดทุติย่าง น, นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคติวิบัติอ่ามันอ่ามั น, ม, นมันเป็นแรงผักดันเนี่ยแล้วก็อุปธิวิบัติก็คือร่างกายเสียเช่นพิกลพิการเป็นคนอ่อนแอไม่แต่เกิดเนี่ยนะต้องซ่อมหน้าด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยนะต้องต้องทำให้เป็นอุปธิสมบัติให้ได้กิริยาท่าทางน่าเกลียดบางคน เกิดมาแล้วมีกิริยาหน้าตาไม่ชวนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคเยอะไปหมดหน้าตาก็ยังไงก็ไม่รู้มันมันเป็นไห่เงี้ยมีโรคมีอะไรเบียดเบียนตลอดบาปมีโอกาสให้ผลได้ง่ายนะอย่างี้เอา ก, การแล้ววิบัติวิบัติแห่งการคือการมันเสียเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อยผู้ปกครองก็ไม่ดี สังคมก็เสื่อมจากศิลธรรมมีการเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันและยังแถมยกย่องคนช่วยคนดีก็หมดโอกาสทำอะไรก็ไม่ถูกการเวลาไม่ถูกจังหวะไปทำผิดการผิดเวลาผิดจังหวะผิดบุคคลหมดเลยแล้วผู้สนมันจะให้ผลไหมไม่ให้อปโยคาวิบัติวิบัติแห่งการประกอบหรือกิจการเสียเช่นฝากไฝในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด หรือบางคนเนี่ยไปทําการที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถกับความถนัดของตนเองไอ้ถนัดเรื่องนี้มันไปทําอีกเรื่องหนึง่งไอ้เรื่องที่ไม่ถนัดเรียนมาทางด้าน <c oughs> วิทยาศาสตร์แต่ไปไปถ่ายภาพเนี้ย อ, อันนี้ก็ไปโยคอาวิบัติเพี้ยนผิดมันก็ไม่ค่อยถนัดดิเข้าใจยังมันก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อะไรหมดเลยโอ้โหลาบากระบนวันเดียวจะสู้เขาไม่ค่อยได้ อะไรนะพรสวรรค์มันไม่มีพราสวรรค์มีแต่พรแสวงในสวรรค์ไม่มีหรอกเช่นยังไ ง, งอ๋ อ, อถ้าดูว่าประโยค่าวิบัติหรือประโยค้าสมบัติก็คือหมายความว่าเราฝากไฟในเรื่องที่มัน เรื่องราวที่ทำาน่มันผิดผิดกับความถนัดของเราไหมผิดกับความรู้ที่เราเรียนมาไหมว่าผิดต่อสภาพสิ่งแวดล้อมไหมทั้งหลายเนี่ยไอ้ความเพียนในลักษณะเนี้ยใช้ความเพียนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำแบบครึ่งๆกลางๆด้วยบางทีทำก็ไม่ได้ทำเต็มที่บางทีทำแค่ใจชอบนะแค่ไปชอบผลแต่ไม่ชอบไอ้ทำเหตุเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูด้วยในตรงนี้ ทีนี้ว่าคนเราถ้าที่เขาประโยค่าถูกว่าเขาศักยภาพความสามารถเขาด้านไหนก็ทุ่มด้านนะเตเต็มทีเลยอย่างี้เป็นต้นอาแต่นี้มาดูการประกอบกันคู่ที่หนึ่งคติสมบัติก็คือเช่นเกิดอยู่ในถิ่นที่เจริญเป็นมนุษย์เนี่ยว่าไนเถ้ะมีการศึกษาดีทั้งมีสติปัญญาและความไอสติปัญญาความขยันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ก็ยังศึกษาได้มากกว่า เข้าถึงสถานศึกษาสังคมสูงกว่าคนอื่นใช่ไหมซึ่งคนบางคนเนี่ยเขาเขามีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรดีกว่าแต่เขาไปเกิดอยู่ในถิน่นธุระกัรดาร์นีมันต่างกันเลยนะเนี่ยงนั้นการที่เรามาเกิดในถิ่นที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งทั้งที่เราไม่ได้ขนขวายอะไรมา ก, กแต่อาศัยปัจจัยภายนอกมันกระตุนต้นเตือน มันก็เลยกลายเป็นคนมีความรู้มีต่างๆส่วนไอ้คนบางคนเนี่ยไปเกิดในถิ่นที่ไม่เหมาะสมโอ้โหมันไม่มีไงไม่มีสถานการณ์ทั้งหลายมันจะเอื้อเนี่ยยานคนที่มาเกิดในถิ่นที่ดีมันก็ได้ความสุขสบายได้กว่าได้สิ่งแวดล้อมดีกว่าได้สังคมดีกว่าได้โอกาสดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่อดอยากส่วนคติวิบัติเช่นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสอนธรรมะ แต่ดันไปเกิดในถิ่นธุระกันดารไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องพูดถึงเป็นมนุษย์กับเขาเหมือนกันนวนพระเจ้าเกิดที่ชมพูทวีปเรามาเกิดในปัจจันต์ตชนบทหรือปัจจันตะตประเทศเนี่เลยาันเถอะเป็นคนป่าคนดอยอยู่ซะนี่คือคติวิบัติแท้เขาจยังเลยไม่รับแสงแห่งธรรมะเลยเดวนี้เนี่ย แทนที่ปัญญามันจะให้ผลบุญมันจะให้ผลมันก็เลยไม่ให้ผลเลยตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางทีไปอยู่ในทวีปที่ผิดโอกาสที่จะเป็นนักปุงนักปราชุดไม่ได้แล้วทั้งๆที่มีความรู้บางคนมีความรู้มีความสามารถแต่ไปเกิดในถิ่นที่ประหลาดประหลาดอย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรนะนักวิทยาศาสตร์ไปเกิดในถิน่นลองยุกนอนฆ่าตาย <c oughs> <c oughs> นอนฆ่าตายซะนี่ <c oughs> ทําไมอ่ะมันไปเกิด คูณนะนำผิดพลาดเนี่ยเอาเห็น ไ, ไหมคติสมบัติกับคติวิบัตินั้นสถานที่ไปเกิดเนี่ยมันถือเอื้อต่อการที่จะบุญให้ผลและบาปให้ผลบางครั้งเนี่ยจะเป็นสติปัญญาดีก็แล้วแต่ไปเกิดในถิ่นที่ไม่เหมาะสมขึ้นมามันไม่มีสิ่งปัจจัยที่จะเอื้อทำให้ฉลาดขึ้นมาได้บางคนเนี่ยเราได้คติดีโอโหช่วยตั้งเยอะนะบางคนมาเกิดในที่ ในตระกูลพ่อแม่ดีส่งเสริมการศึกษาโอ้โหเรียนเป็นบ้าเป็นหลังเลยนี้คู่ที่สองอุปธิสมบัติเช่นรูปร่างสวยงามน่าชื่นชมไปเกิดในตระกูลยากไร่ถิ่นที่ห่างไกลกรูปร่างเนี่ยมันช่วยให้เกิดมาสู่ฐานะและถิ่นที่มีเกียรติยศชื่อเสียงได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุปธิช่วยเยอะแยะหมดบางคนใช่ วันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมันมาจากประเทศพามา่เาเขาบอกว่าเข้ามาเขามาทำงานอยู่ในในในใ น, ใ น, ใ, นในเชียงใหม่หน้าตาเขาสวยเป็นเด็กเสิร์ฟเออไม่ใช่เป็นเด็กทําความสะอาดกวาดไปกวาดมาคนไปกินอาหารไปเห็นขึ้นมาโอ้โหแต่เนี้ยไปสมสมุติสัมภาษณ์กันพอแต่งตัวขึ้นมาหืมอย่างกระดาราเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี้ยกรณีแบบเนี้ยอุปธิช่วยอุปธิสมบัติเนี่ยช่วย เห็นไหมเนี่ยนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอุปธิถ้าอุปธิวิบัติเช่นเกิดในถิ่นเกิดในอุปธิเกิดในถิ่นหรือในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์จริงเกิดในตระกูลสูงจริงแต่เป็นคนพิการแล้วกุศลมันจะให้ผลมนี่โหเกิดเป็น เกดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยแต่ปัญญาอ่อนแล้วจะรับบรดกได้ไหมอ๋อพ่อเป็นนายกเลยเอ๋พ่อเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่กลับกายเป็นปัญญาอ่อนลูกเป็นปัญญาอ่อนแต่จะตระกูลนี้จะสืบทอดตำแหน่งนายกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรกั้นไว้อุปธิอุปธิเป็นตัวกั้นไว้เลยกุศลไม่ให้ผลไม่รู้จะทำยังไงไปผ่าสมองเอาสมองคนอื่นมาใส่ก็ไม่ได้ อ่อนั้นไม่อ่อนมากหรเลยอเจ้านั้นมีเล่เหลี่ยมเหมือนกันนะ่าจะว่าไปนะ <c oughs> อ่าเอาเตานี่เอาเตานี่ไม่รรมดาเ น, นี่ยมีเล่เหลี่ยมจะนี้เอาตัวรอดทั้งเกตด้วยที่ถึงจะปัญญาอ่อนแต่เราเอาตัวรอดเพราะหนึ่งเขาตายจะนี้ไม่ตายหรอกทั้งเกตด้วยที่บรรดาคนสนับสนุนเขาคนส่งเสริมเขาแรงไหนตั้งแต่ตั้งแต่ของบุงของเบ่งตายอะตายหมดไม่เหลือแม้แต่ของเบ่งวาง แผนไว้ให้ลูกศิษย์คอยคุ้มกันพวกนี้ก็ตายหมดเขาถูกจับไปไงพอถูกจับไปเปเสร็จจะเอาเมืองเอาอะไรเอาไปเหอะเขาขอให้เขาอยู่ได้และเสพสุขสบายได้ไหมต่อรองเขาเขาได้โอ้โหตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นรู้สึกซูมาอี้หรือใครนเนี่ยหัวล็อกคากเลยอะโอ้โหบอกเออให้เขาอยู่ปะบอกงั้นเถอะ ให้เขาอยู่ไปแล้วก็มีผู้หญิงมีอะไรต่างบังเออยู่ไปให้อยู่พออยู่ได้เหมือนว่าเป็นคล้ายๆว่าตระกูลกษัตริย์ตกยากตระกูลเชื้อพง์ตกยากแต่ว่าก็อินดูไปให้เสพสุข ต, ตลอดชีวิตอย่าไปทําอะไรก็บ้านเมืองเขาก็ออกไปแต <c oughs> ่เง น, น <c oughs> เขาก็อยู่ได้เห็นไหมนะเนี่ยอาต้าวอยู่ได้เห็นไหมเพราะไอ้ น, นี่เขาบอกว่าะจะเอาอะไรเขาไม่สู้ เขายอมหมดแหละแต่ขอเขาได้เสวยสุขกับผู้หญิงกับทรัพย์สมบัติกันอะไรต่างๆที่ที่เขาไม่เดือดร้อนเนี่ยแค่นี้แหละนอกนั้นปทุมประเทศอะไรต่างเขาจะไม่คิดกระบุกกระบทวไม่ไปรวมสมัครผู้คนอะไรมาต่อต้านเลยว่างั้นเถอะหวัวล็อกากากเลยบอกโอ้ต่ออายี่สิบของเบ่งก็ก็ไม่สามารถจะช่วยไม่ได้แนละ้วคนแบบนี้ใจเออจะไปบอกว่าโง่งก็ไม่ได้ใช่ไมอย่างเงี้ย เอาตัวรอดได้โอยของเบ้งของเบ้งีวางแผนเครียดทั้งวีทั้งวันเนี่จันนี่ก็ไปเล่นปั่นกัดจิ้งหลีดอยู่นะกับนางสนมกำนั้น่นเป็นเออเป็นอุปธิอุปธิวิบัติเนี่ยจริงๆก็คือถ้าอุปธิวิบัติไม่มากเท่าไหร่ก็ก็พอส่งเสริมกันได้ที่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ได้นะ นั้นตรงนี้ก็คือในกรณีที่ถ้าร่างกายเป็นส่วนประกอบด้วยคนที่มีกายดีก็ได้รับผลไปถ้าหากกรณีที่มาเปรียบเทียบกันระหว่างคนขี้เหร่กับคนหน้าตาดีสมมุติว่าไปสมัครงานเนี่ยใช่ไหมมันสอบได้เท่ากันเลยวะไออุปธิวิบัติก็สอบได้ไออุปธิสมบัตกิก็ฝากสอบได้เหมือนกันแต่นี้มันมีตําแหน่งเดียวก็จะเลือกใครสมมติว่าจะเนนแฮมกับเนรหน้าสอบได้งานเดียวเนี่ย คิดว่าเขาจะเลือกใครอ่ะอาจจะเลือกเนนแหมหรือเลือกเนนนาดอาจจะไม่เลือกขั้งคู่เลือกขั้นในก็ได้อาจจะแต่เนี้ยตรงนี้เป็นข้ อ, อราการต่อมาคือกาลวิบัตเช่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ดีงาม มาเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเชอชนคนดีคนพู้นั้นก็มีเกียรติมีเกียรติยศชื่อเสียงบ้านเมืองสงบสุขเพราะนั้นผู้มีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์ก็มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยหรือบางยุคคนเขานิยมนักกฎหมายมากๆเนี่ยแล้วเราก็มาเกิดในยุคนั้นด้วยในการนั้นด้วยผู้นาชอบเนย นักกฎหมายโอ้โหได้ดิบได้ดีหรือบางทีทีย่ยกที่ผู้นาก็ชอบกาบกอนเนี่ยนยกสุนทรโอ้โหบางราชสมัยนี่ ส, สุนทรโดนยกโอ้ยบางอีกยกนึงเขาไม่ชอบกับกอกเขาเกียออกจากเมืองออกจากโอ้โหเลยเหี้ยเลยรอนเลยมีนิราสุพันธ์บ้างแล้วนัก่ก็ไปเห็นโรงเล่าเตากันควันขโมงมีคันของผูกสายไปไปลายเสา โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราถึงมัวเมาเป็นหนึ่งว่าเป็นนายไม่เมาเหล้าแล้วเรากับเมาเลักสุดจะหักห้ามจิตคิดชนไหนไมเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประคับประจําทุกค่มคืนกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายาไปเลยทีเพราะอะไรโดนคนเขาไม่ยกย่องแล้ว <c ười> นี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะไอบางยกบางสมัยก็ถูกยก <c ười> ถึงบอกอเนี่อีกตัวกาละสมบัติ การละวิบัติเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาสังเกตให้ดีว่าเออตรงนี้เวลาเราจะกระทำอะไรความสามารถอะไรเราก็ดูการดูบุคคลทำให้มันเหมาะอย่าไปทำขวางเขาถ้าต้องการให้กุศลมันให้ผลใช่ไหม้เราไปต้านคนที่เขาสูงกว่ามีอานาจกว่าก็เดือดร้อน เดือดร้อนทั้งชาติเลยตอนนี้ได้แต่อุดมการณ์เนี่ยเข้าใจไหมล้ว <c oughs> ยกเว้นยกเว้นเออเรากลับไปเป็นผู้นำซะเองกว็วายดีงั้นไม่ไม่เจาะลงไปแล้วแต่นี้เราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยควรจะทำอย่างไรว่าจะให้กุศลมันให้ผลหรืออากุศลมันให้ผลถ้าเราอยู่ในกาและสมบัติ พูดนำเป็นคนดีมีศิลธรรมยกย่องคนดีอะไรคนมีความรู้ความสามารถแสดงเต็มที่เลยนะถ้าไปเจอพูดนหวาดละแวงอิจฉาลิษยาโอ้ไปโชว์ความสามารถเต็มที่เอาหัวขาดเลยใช่ <c oughs> ไหมล่ะมองเห็นยังโอ้บาปมันให้ผลได้ง่ายๆทั้งๆ ท, ท, ที่ทําดีนี่แหละมันไปผิดจังหวะซะนี่ อภโยค้าสมบัติอันนี้สำคัญเช่นตอนไม่ใช่คนดีมีความรู้ความสามารถแต่รู้จักไม่ได้คนมีความสามารถอะไรเลยนะแต่เป็นคนประโยคนเป็นก็คือรู้จักหาคนควรเข้าหารู้จักหลบเลี่ยงคนที่ควรหลบเลี่ยงอะไรที่มันเป็นความเสียอะไรควรเสียก็ยอมเพื่อความเจริญก้าวหน้า อะไรไม่ควรพูดก็ไม่พูดอะไรควรพูดก็พูดมันมันฉลาดในการประกอบไปหมดอะไรควรทาช่วงไหนก็ทํา ค, คือมันคือมันมันเป็นประโยชน์คะที่ถูกต้องเป็นคนฉลาดประกอบกิจการได้ถูกดูจังหวะดูเวลาดูบุคคลดูช่วงอะไรได้ได้เหมาะสมมากคือไปทําแล้วมันเหมาะเ <c oughs> ข้าใจเพราะมันอย่าไปถือทิฐิว่าฉันจะเป็นอย่างงี้ บุญมันจะไม่ให้ผลคนประเภทนี้ฉันถือทิฏฐิฉันจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่สนแต่ไม่ใช่ไปทําชั่วนะฉลาดในการทําดีนะในการเรารู้ว่าเนี่ยไปตรงเนี้ยยกตัวอย่างนะไปวินทบาทเนี่ยเฮ้ยเอาออกไปไปยืนอยู่ตรงต้นโพจะได้ข้าวไหม เพราะอะไรระโยคาผิดมันเพียนผิดไงเอาอีกทีเอาไปยืนตรงไหนเดียบนสะพาน ล, ลอยโอกาสก็ได้น้อยมัรไโยคะมันผิดไงเข้าใจไหมไปบินทบาทเนี่ยเดินไปบางม้าจริงไม่เข้าตลาดหรอกวกไปทางนู้นเนี่ยทางธนาคารไปยืนหน้าธนาคารแล้วก็วกกลับมาไปถึงบา ง, บางมาากลับมายังไม่ได้เลยเลยนะเขาเรียกอะไรระโยคะมันวิบัติ ประกอบผิดเพี้ยนผิดเนะเวลาจะให้บุญให้ผลเนี่ยมันต้องไปนะที่ที่มันที่ที่เขาเขาค้าขายอาหารเขาพวกคนไปไหนมาไหนเอเดินเข้าห้างเลยโหก็ด่ากันลืมพามาเลยนอกจากไม่ได้แล้วโดนด่าอีกแล้วอเห็นไหม <c oughs> มันประโยคะผิดไม่ได้ก็จะยังว่าการที่จะให้บุญมันให้ผลเนี่ยมันต้องมองออกไหมล่ะนั้นจังหวะหรือว่าความเพียร เ, เนี่ยสำคัญมากเลยเอาความสามารถในมาใช้ในทางที่ดีในการงานที่พิสุจิ์อย่างยกตัวอย่างนะว่าคนบางคนเนี่ยโอ้เป็นคนเก่งมากปลอมแปลงเอกสารเก่งใช่ไหม เป็นคนที่มีความสามารถปลอมแปลงเอกสารเก่งๆมากเลยถ้าเอาความสามารถนั้นไปทำในสิ่งที่ผิดเป็นประโยคนวิบัติจะติดคุกเลยเนี่ยแต่ต้องเอามาทำให้ถูกทางถูกที่เลยมาอยู่ในเอาความสามารถมาใช้ในทางเช่นงานพิสูจน์หลักฐานโอ้โหอนี้เยี่ยยหรืออีกคนที่แฮกเกอร์เก่งๆนักแฮกเกอร์เก่งๆใช่ห โอ้โหเอามาคอยจับป้องกันโอ้โหเจริญก้าวหน้าทันทีเลยพวกนี้เห็นไหมมันมันมันเก่งด้านหนึ่งจริงๆแต่มันประกอบถูกโอ้โหชีวิตมันโลดแล่นเลยโลดแล่นจริงๆเลยนะแบบอเอาๆอย่งอางไอคนที่มันนี่ก็เรียกประโยชน์ค่าสมบัติประโยควิบัติเช่นความรู้ความสามารถคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยดีหมด ดีทุกอย่างเลยนะแต่เป็นคนติดการพันนั้นบมดแล้ไ อ, อ้เจ้าเนี้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วน่าดูเลยนะมันแทนที่จะไปเป็นนักกีฬาวิ่งเร็วไหมสี่คูนร้อยอะไไม่เอามันดันไปวิ่งลาวไปวิ่งลาวกสะสนี่ โ, โห้บาปให้ผลเลยตอนนี้เขาใจไหมเนี่ยไอ้กรณีแบบเนี้ไอ้ประโยเขาวิบัติเนี่ยมันคือความสามารถล้วนๆมันดันเอาไปใช้ผิดทางผิดเวลาจำไหมล่ะ มองเห็นได้ยังตอนนี้จากนั้นการที่จะเปิดช่องให้บุญให้ผลบาปให้ผลโอ้โหนี่ไม่มีเวลาที่ไปเจาะจริงๆจริงๆมันต้องเจาะลงในรายละเอียดว่าจะให้ทานให้ผลยังไงศีลให้ผลจะให้สมาธิปัญญาให้ผลยังไงเป็นต้อนอะไรนี้ยเอาไว้พรุงนี้ดีกว่าทีเดีนี่ปาไปสองชั่วโมงมั้งเกือบสองชั่วโมงแป๊บเดียวเองนี่ใช่ไหม กามเอ่อเอ่อทำไมก็ทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องรับผลของกรรมนั้นกามะพันธุกรรมโยนิกามะปฏิย่างกามังกริสามิก็คือถ้าทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใช่ไหมล่ะสรุปก็คือตรงนี้ พอชัดเจนไหมมีอะไรสงสัยไหมการคติสมบัติคติวิบัติอุปทิสมบัติอุปธิวิบัติการสมบัติการะวิบัติประโยค่าสมบัติประโยค่วิบัติอ่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้ที่เราควรกระทาคือตรงไหนประโยค่สมบัติสาคัญมากนั้นต้องพยายามอย่าไปไปกอบผิดเล่ะถ้าเราปรารถนาอยากจะให้กุศลให้ผล เราก็ต้องเพียรในการที่ประกอบในทางที่ถูกเหมือนถ้าหากจะให้ทานกุศลมันให้ผลอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเปิดช่องทานแค่ช่องเดียวเช่นฉันก็เป็นข้าราชการก็เปิดช่องเงินเดือนเท่านั้นช่องอื่นมันไม่ให้มันก็เดือนนึงได้เท่าไรก็เท่านั้นแค่นั้นใช่ไหยเหมือนการกรณีที่บวชเป็นพระแล้วก็ บินระ บ, บาดก็ไปแค่ตรงเนี้ยไอ้ทานมันก็ให้ผลแค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปรู้จักไม่ต้องไปมรกคุ้นไม่ต้องไปทํากิจกรรมใดๆแล้วแล้วก็เป็นคนอยู่ลําบากเลยทีนี้ไม่เปิดช่องให้ทานมันให้ผลไม่เปิดช่องให้ศีลมันให้ผลเพราะไม่เปิดช่องให้ไม่เปิดช่องโอ้โหเราไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเนะียในชีวิตเนี่ยแต่เป็นคนไม่ดูแลร่างกายเลย ไม่ออกกําลังกายเลยไม่ได้กินอาหารที่ถูกต้องไม่นอนให้เป็นเวลาไม่ตื่นให้เป็นเวลาไม่รู้จักปรับสภาพอากาศวันหน้าตรงหน้าต่างมีลมพัดหรือห้องนอนก็รกลุงลังอากาศก็อับอับอยู่กั น, นยังไงเหมือนกําลังหนูเลยเนี่ยนี่กรณีเนี้ยความเป็นผู้มีอายุยืนสุขภาพดีมันจะให้ผลไหมมันเป็นอะไรประโยควิบัติเงี้ย ประโยชค่ะวิบัติเนะี่ยถ้าจะต้องการให้กุศลในการรักษาศีลข้อแรกมันให้ผลเนี่ยคุณต้องดูแรลร่างกายออกกําลังกายยังไงกินอาหารยังไงเสื้อผ้าสิ่งของดูแลยังไงสถานที่อยู่ยังไงอากาศดีไม่ดียังไงโอ้โหเนี่ยการออกกําลังกายแล้วฉลาดในการออกยังไงอาหารประเภทไหนมันจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพประเภทใดเนี่ยฉลาดหมดเลยโอ้โหความผู้มีอายุยืนคุณภาพชีวิตดีมาไหมตามมาไหมนี่ก็เรียกฉลาด ในการที่จะให้ศีลข้อแรกมันให้ผลผลของศีลที่รักษามันให้ผลเ็ยังไม่ร้องงั้นคนบางคนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไว้คนคนนี้มันประวัติมันไม่ดีฆ่าสาัตว์มาเยอะมากแต่ไอ้เจ้าบ้านนี้อายุยืนไอ้เรานี่ไม่เคยฆ่าสาัตว์เลยทําไมโรคลุมเลา้าอายุสัน้นกับไม่ดูเขาประกอบไอ้เจ้านี้มันนั่นจริงแต่มันดูแลชีวิตมันดีเหลือเกิน เดินออกกําลังกายเชา้าเย็นอาหารเหมาะสมทําใจตัวเองไม่เครียดฟังดนตรีเพาะๆใจมันล่าเริงมันทําให้ถูกหรอกแต่จริงๆจิตมันล่าเริงไงกินอาหารดีดูแลร่างกายเหมาะสมไงมันเลยอายุยืนโอ้โหอายุปลาไป90เจแล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นไรยังแข็งแรงอยู่เลยเราทําทดีรักษาศีลบวดเป็นพระด้วยงอกงแงงแ ง, ง, ง, งเลย <laughs> ประโยชน์ข่าววิบัติ เออกุศลกับศีลข้อแรกมันเลยไม่ให้ผลเข้าใจไหมเราก็ไม่เคยไปรักทรัพย์ใครกันเลยนเนี่ยเนนั่งอยู่เนี่ยแต่ไม่ไม่รวยวทรัพย์ไม่ไม่ให้ผลทานก็ให้นะทาไมกุศลมันไม่ให้ผลอ๋อประกอบผิดละเพี้ยนผิดไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการที่จะเปิดช่องให้ทานกุศลมันให้ผลเลยไม่ไปประกอบกิจกรรมใช่ไหมไปเปิดช่องเหมือนหน้าต่างนี่แหละ ลมลมมาทางด้านนี้ดันปิดหน้าต่างนี้มาเปิดนี้พอมันลมมาทางนี้อีกปิดนี้มาเปิดนี้มันผิดจังหวะหมดเลยนะว่างั้นเถอะบางทีก็เปิดไว้อย่างงั้นแหละเดือนหนึ่งลมมันมาครั้งหนึ่งแต่เปิดทิ้งไว้อยงนั้นนะทางานไปเดือนหนึ่งถึงได้เงินมาครั้งหนึ่งทําไปเดือน้ทานกุศลมันกให้ผลแค่เดือนละครั้ง ขนาดไทยเดือนละครั้งยังโดนหักอีกเดีภาษีหักไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เหลือแค่นี้อยู่อย่างงั้นแหละไม่มีไม่ฉลาดในการเปิดช่องมันมีช่องตั้งเยอะแยะก็ไม่เปิดกับเขาเขามีกิจกรรมเขาลงทุนอะไรนิดหน่อยไม่มีโอกาสเอาไปหยอดร่วมกับเขาบ้างอะไรบ้างไม่ฉลาดเลยไม่ประกอบความเพียรที่มันถูกต้องทั้งหลายบุญมันก็เลยไม่ให้ผลก็เลยกลายเป็นผู้มีทรัพย์น้อยแล้วก็ยังบอกว่าผมเป็นคนสมถะอยู่ง่ายกินง่ายยังมาถือทิฐิองั้นซะอีก ก็ไม่ฉลาดนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมความไม่เป็นผู้ฉลาดในการที่จะทําประโยคะมันถูกทั้งๆที่ตนเองก็ทํากิจกรรมเติมที่นี่แหละเพรางั้นยังไปเป็นมักน้อยเข้า <c oughs> ใจไหมแท้ที่จริงศักยภาพเนี่ยเราจะสามารถหาทรัพย์ได้ทั้งเยอะที่จะทําประโยชน์ได้อีกเยอะใช่ไหมกลับไปประกอบผิดได้ <c oughs> คือมันมันมันไปได้ช่องเดียว แล้วก็ไม่ฉลาดในทิศทางลมไม่ฉลาดในว่าฝนตกฝนไม่ตกยังไงก็เหมือนกับที่สระน้ําเนี่ยใช่ไหมมันมีทางไหลออกสีไหลเข้าสีก็ไม่ปิดทางไม่ไปเปิดทางไหลออกไปปิดทางไหลเข้าน้ําในสระมันไหลหมดไหมแล้วยิ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกไม่เหลือเลยแต่เนี้ยอ่าถ้าหากว่า ปออเปิดทางไหลออกเปิดทางไหลเข้าฝนตกต้องตามดีดีการน้ำเต็มสระไหมโอ้โหกินไม่หวัดไม่ไหวอย่างนี้เป็นตน้นนั่นเกี่ยวกับประโยคะในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันพอสมควรเนะาะ